บททีเจ <Book> <72. S 3> ็ดสิบสองเดบให้เรนดูต้องใชยลีตับปะกุนดาต้องตับปะกุนดาดิฉันต้องส่งจดหมาย เนนตับปนิเสรับวุฒิรานีโพสต์ใจอาลีดิฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมเนนตับปนิเสรีกโฮเทลวาลกิเชลลินชาลคุณต้องตื่นแต่เช้ามีรูตับปนิเสรีกัเตลล่าร์นเนลวาลคุณต้องทำงานมากมีรูตับปนสรีกย็กวปิใจล คุณต้องตรงเวลามีรถตับ ป, ปัญหสริกาสามัยอันนี้ปาิ้ชาลเขาต้องเติมน้ำมันอนะันน่ะปิโตรโล์ทีสกูบเขาต้องซ่อมรถ อ, นะอรันน่ะกอนีเบลเจียลเขาต้องล้างรถ อ, นะอรันน่ะกอนีสุบรันเจล เธอต้องซื้อของอาเตัปปัระโกนัลีเธอต้องทำความสะอาดอาพาร์ตเมนต์อาเตัปปรอพาร์ตเมนต์นีสุบรันเฉยาลยเธอต้องซักเสื้อผ้าอาตัปปัญสรบาลลบัตรัลนิวติกาลีเราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ เวเรเาราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้เวนนเวลลเราต้องไปหาหมอเดียเหหเด๋ยวนี้วดววลาพวกคุณต้องรอรถเม์บัสโเวชวดลพวกคุณต้องรอรถไฟ มนันนำรถไฟโสมเวชิวันดาลีพวกคุณต้องรอรถแท็กซี่มานำแท็กซี่กวสมเวชิวันดาลี